215. หจีวระรัชนะคถาว่าด้วยน้ำย้อมจีวรเรื่องย้อมจีวรด้วยโคใหม่ส4 4สสมัยนั้นพวกภิกษุใช้โคใหม่บ้างดินแดงบ้างย้อมจีวรจีวรมีสีคล้ำ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 และน้ำยอมจากผลไม้